243อ่าจทำไม่มีในพบอื่นมีในพบปัจจุบันนี้เท่านั้นวิปลาสในจิตก็ดีวิปลาสในธรรมก็ดีเกิดจากการกระทําของตนของตนแต่ละคนที่ตนทำนั้นนานทั้งนั้นกรรมใครทํำก็เป็นของตนกรรมสกะ ตามติดตนเป็นมรดกกรรมทายาทและกรรมนี้เองที่พาตนเกิดตนเป็นไปตามกรรมที่ตนทมกรร ม, มโยนิกรรมสังสมเป็นเผ่าเป็นพันของตนกรร ม, มะพันทุคนอาศัยกรรมวนไปวนมาอยู่ในโลกกรร ม, มปฏิสรนมคนผู้ไม่มีโลกุตรธรรม มีแต่โลกิยธรรมยังเป็นปุถุชนกรรมที่คนปุถุชนสามารถกระทาสำหรับผู้ไม่ตั้งใจฝ่ายดีก็จะทำธรรมะให้เป็นอาธรรมในชาติปัจจุบันที่มีชีวิตที่มีขันห้าอยู่ในโลกนี้นี่เองได้แก่ตนเองหลงผิดทำผิดจึงเป็นการโกหกพืออื่น ทำผิดไปจากความเป็นธรรมะเป็นคนวิปลาดวิปริตก็เป็นทุจริตจึงได้รับบาปซึ่งในสังคมอาจจะพาการหลงผิดว่าเป็นการทำดีเสียด้วยซ้ำแต่โดยสัจจะเป็นการทำทุจริตอยู่ในชีวิตเป็นเป็น และการทำอาธรรมที่เป็นทุจริตในยะเยี่ยงนี้ทำกันได้ในพบปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะเป็นกรรมอันทาได้พบอื่นทำไม่ได้ทำในพบนี้แล้วติดอัตภาพของตนไปทุกพบที่ทุกคนเพื่งรู้ให้แม่นให้ชัดว่าในพบนี้คือพบปัจจุบันนี้เท่านั้น ที่มีธรรมะซึ่งสามารถวิปลาดวิปริตไปจากสัจจะให้เป็นอาธรรมให้เป็นอาสัจจะได้ในที่อื่นพบอื่นทำอาธรรมทำความไม่ดีไม่ได้ไม่มีอาสัจจะความไม่จริงให้ทำมีแต่รับผลของกรรมวิบาก